ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมที่มามีเสียมีเยอะเหมือนกันไม่เคยฟังก็ฟังซะนะฟังที่แรกงงนะมันธรรมดาเรียนศาสตร์อะไรก็ตามเรายังไม่รู้เราไม่เคยเข้าใจสิ่งแปลกใหม่เรเรียนยากนิดนึงก็ เ, เคยได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วต่ไปง่าย ถ้าฟังที่หลวงพ่อพูดเข้าใจแล้วนะไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนนะฟังปุ๊บก็รู้แล้วรู้เรื่องภาษาไม่เหมือนกันนะแต่เราจะเข้าใจอ่านพระไตรปิฎกหรือไปเรียนอริธรรมอะไรนี้ก็จะรู้เรื่องความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปจุดสําคัญก็คือใจเราเองเปลี่ยนถ้าเข้าใจที่หลวงพ่อบอกให้ เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่เคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยหนะ้าตาไปทำไม่ได้แนละ้วมันเกิดความละอายใจรู้เท่าทันกิเลสแล้วก็รู้ว่าถ้าทำไม่ดีนะจิตใจจะเศร้าหมองมื้นเราจะกลัวว่าจิตเราจะเศร้าหมองไปกลัวผลของการทำชั่วเคยเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงลดลง ไม่เคยเข้าใจเลยว่าความทุกข์เข้ามาสู่ใจได้ยังไงก็จะเข้าใจแล้วความทุกข์ที่เคยอยู่ในใจมากๆอยู่นานๆก็จะล ด, ล, ด, ล, ด, ล, ดลงลดลงเอยู่สั้นลงสั้นลงถึงจุดหนึ่งใจจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงเพืนพยายามตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยะมาเข้าคอร์สแค่สามวันเท่านั้นสามวันนี้ถ้า ให้ความสนใจนะในการศึกษาคุยกับหลวงพ่อแนะตรงไหนไม่เข้าใจไปถามผู้พี่เลี้ยงดูได้ผู้พี่เลี้ยงเขาก็ทำงานมาหลายปีละค่อนข้างใช้ได้แหละหลวงพ่อไม่แนะนำให้ไปถามคนนั้นคนนี้สเปซสปะเหมือนพาเราเข้ารกเข้าพูงง่ายๆนลคนที่หลวงพ่อให้ช่วยสอน มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะก็พวกพี่เลี้ยงนี่กลุ่มช่วยกันทำงานบางคนมาเรียนมาฟังนี่นี่หน่อยหน่อยนะมาไปสอนต่อตเนียนะ้ยเพียนเพียนมีบางคนไม่ได้เรียนไม่ได้ฟังนะอ้างว่าเรียนจากหลวงพ่ อ, อไปสอนก็มีนะเพียนเลยนะเรียนตั้งอกตั้งใจนะฟัง ตรงไหนไม่เข้าใจถามหลวงพ่อได้ก็ถามถามไม่ได้ก็ไปถามพวกพี่เลี้ยงดูที่จริงคนไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงแล้วเก่งๆนะก็ยังมีอีกเยอะไม่ใช่พี่เลี้ยงเก่งอยู่แค่กลุ่มเดียวนี่หรอกตอนนี้คนที่เรียนเกิดหลวงพ่อแล้วเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยก็มีจํานวนมากเชียวละนะระดับเดินวิปัสสนาได้นี่ก็เยอะแยะไปหมดเลย ระดับที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนียนับจำนวนไม่ถูกลว่ามีเท่าไหร่เงินตั้งอกตั้งใจนะเคยปฏิบัติธรรมเคยอะไรมานะแฝนไว้ก่อนถ้ามีความต่างนะฟังถึงเคยเรียนมาประโยคเหมือนที่หลวงพ่อพูดนะก็อยากคิดว่าเหมือนกันลืมความรู้เก่าซะ ก, ก่อนเลยแล้วจะเรียนง่าย บางคนก็ได้ยินไปเรียนที่อื่นนะเขาก็สอนวนะ่ามีสติอะไรเนี้ยไม่พูดถึงมีสติมีสมาธินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอนะไรย่างเงี้ยแต่พอถึงขั้นลงมือทําจริงๆส่วนใหญ่ก็เพ่งกายเพ่งใจนะหรือไปแต่งปรุงแต่งแต่งร่างกายไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ไปแต่งจิตใจให้จิตใจมันผิดจากธรรมชาติธรรมดา การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมาเรียนว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงมาเรียนตัวนี้เห็นความเป็นจริงของมันแล้วธรรมดามเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกะถ้าปัญญาขั้นสูงขึ้นไปก็เห็นว่าตัวเนี้ยกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงกายถึงใจว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็ล้างอวิชชาได้ วิชาอันแรกเลยความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าไม่รู้ว่ากายใจของเราเนี่ยตัวทุกข์พูดถึงทุกข์นี้ยใครๆก็บอกก็รู้จักทุกข์ทุกข์ที่เรารู้จักเรียกทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขศักดิ์คนลานกันอย่างไม่สบายทางร่างกายอะไรนี่เรียกทุกขเวทนารุ่มใจทุกขเวทนาแต่สิ่งที่เรียกว่าทุกขศักดิ์ที่เราต้องเรียนนะทําลาย เข้าใจทุกข์สัตว์ไม่ได้นะรู้ทุกข์สัตว์ไม่ได้ก็ไม่มีทางทําลายอาวิชชาได้เลยสิ่งที่เรียกว่าทุกข์สัตว์ก็คือรูปนามกายใจของเรานี่เองนี่แหละตัวทุกข์ที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได่านั้นยบางคนว่าพูดวมันมันไม่จริงหรอกพูดประโยคเหมือนกันนะสภาวะไม่เหมือนกันต้องเรียนให้ดีค่อยๆหัดรู้สภาวะนะ ก่อนที่เราจะก้าวไปถึงขั้นรู้สภาวะได้เราก็ต้องพัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่จะรู้สภาวะได้ก่อนเนีย่ยหลวงพ่อจะสอนเป็นขั้นเป็นตอนนะเบื้องต้นเลยเราต้องรักษาศีลห้านี่เบสิที่สุดศีลเป็นพื้นฐานรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็มาพัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่จะเรียนรู้ความจรงิงอันนี้ชื่อว่าจิตตศิกษา อจิตเรามีคุณภาพที่จะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้แล้วเราก็มาเรียนเรื่องปัญญาศิกขาคือวิธีรู้รูปวิธีรู้นามรู้ยังไงจะตรงความเป็นจริงเนั่นงสิ่งที่เราจะเรียนทั้งหมดนะในเวลา3วันนี้จริงๆก็คือเรื่องปลายสิกขาคำว่าศิกขาเป็นสามบาลีวนไทยไม่ใช้คำว่าศึกษาเงินมีงานที่เราต้องศึกษาอยู่3ามเรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธคือศึกษานะต้องศึกษาคนที่พ้นการศึกษาแล้วคือพระอรหันต์เท่านั้นนะต้องนั้นต้องศึกษาเท่านั้นศึกษาในเรื่องของศีลสิกขาจิตตศิกขาปัญญาศิกขาศีลเป็นพื้นเป็นฐานทําให้จิตสงบผิดสบายจิตตศึกษาเป็นการพัฒนาจิตให้มีคุณภาพที่จะเจริญปัญญา ปัญญาศิกษาเป็นวิธีเจริญปัญญาคือวิธีรู้รูปนามให้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่จะต้องเรียนทั้งหมดเรื่องของศีลพวกเราก็รู้จกักศีลห้าจะทำกันไม่ค่อยได้รักษายากถามจริงพวกเราใครรักษาศีลห้าได้หมดจดจริงๆยกมือซิมีไหมมีไหมมีไหมมีแต่แอ บ, บยกขึ้นมาเกาไ <c oughs> <c oughs> ม่กล้า ย, ยกมือ รักษายากมากนะสี่ห้านี่เพราะข้อสีเนี้อรักษายาก พ, พูดเพิ์เจอร์พูดเพิ์เจอร์พูดคำหยาบนี่ไปประท้วงเนี่นะคำหยาบมันหลุดออกมเต็มเลยถ้าหยาบเฉพาะในใจนะอยังไม่เสียศีล น, นะเออถ้าหลุดออกมาเนี้ยเสียศีลเลยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนอุบายท่านนะแจกว่าถูกมงคล น, นะเราบอกอย่าไปด่าเขานะหรืไปด่าเขาแล้วของไม่ขลัง มีพระเมตตามหานิยมใช่ไมจะตาเป็นไฟเลยเมตตาไม่ลงหรอกต้องถูกตืบมสักวันหนึ่งเป็นอุบายของท่านศีนไม่ใช่รักษาได้ง่ายนะถ้ารักษาไม่เป็นเพราะงั้นต้องเรียนวิธีรักษาศีนอยู่ๆไปขอศีนมนาะจากพระนะยังไม่ทันคล้อยหลังไปเลยศีนก็ตกหายไปบ้างละกลอนไปเรื่อยๆกลางงานนะ งานกินเหล้านี่มลพระไปเทศก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินเลี้ยงแนละ้วกินเหล้าก็ยังดีนะมีศีลอยู่สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวศีนค่อยขาดก็ยังดีชีวิตนี้ชาตินี้ได้ถือศีลห้านาทีก็ยังดีนะดีกว่าไม่มีเลยการรักษาศีนเนี่ยถ้าเรารักษาที่กายที่วาจาจะรักษายากเพราะปากเราไวเใช่ไหมใจคิดปุ๊บปากพูดปั๊บเนี่ย ศีลเนี่ยมันไปล่าลานคนอื่นเขาทางกายทางวาจาไม่เรียบร้อยทางกายทางวาจาือ่องการรักษาเนี่ยรักษาที่กายที่วาจารักษาญาติโมโหเขาก็ไปชกเขาแล้วไปตบเขาแล้วนี้นะหรือไปด่าเขาละศีลก็ก็พร้องกับแพร่งอยากได้ของเขาเนอะไม่ได้คิดจะขโมยเลยแต่มือไปหยิบมาละเนี่ยมันมันเคยชินจะรรักษาศีลเนี่ยจะรักษาได้ง่ายถ้าเรารักษาที่ใจ ศีลเนี่ยเป็นความปกติของใจจิตใจที่เป็นปกติธรรมดาหมายถึงจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงําเนี่จิตใจมันมีศีลถ้าเมื่อไหร่จิตใจผิดปกติ่ถูกกิเลสครอบงํานะศีลก็จะชักกระพร่องกับแพร่งไปถ้ากิเลสแรงแล้วศีลขาดไปเลยนะเพื่อการรักษาศีลที่ดีเนี่ยให้มีสติรักษาใจไว้เพราะเรารู้จักกิเลสทุกตัวอยู่แล้วละ่ะกิเลสหยาบหยาบนะ กิเลสขั้นละเอียดขั้นสังโยชน์ขั้นอะไรนี้ยังไม่เห็นหรอกน น, นละเอียดจริงๆกิเลสหยามๆนี่เรารู้จักทุกคนกิเลสละเอียดไม่ค่อยเห็นหรอกอย่างท่านระดับสังโยชน์เบื้องสูงนะดูแล้วเหมือนกูสนเลยอย่างอุทัศจะสังโยชน์ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ฟุ้งซ่านในเรื่องคามเรื่องอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรมันฟุ้งในธรรมะ จิตมันพิจารณาคุณค้าธรรมะดูแล้วดีรู ป, ป ร, ราคารู ป, ป ร, ราคาเนะี่ยไม่อยากยุ่งกับใครต้องการความสงบพอใจในความสุขความสงบอวิชาิังดูยากที่สุดเนะี่ยจิตที่จะทรงอวิชาแล้วเราเห็นตัวนี้ได้นะเป็นจิตผู้รู้ชั้นเต้นยอวิชาอยาแฝงอยู่มานะมานสัญโยชน เมื่อเเทียบเขาเทียบเรานะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีเขานะแต่มันอดเทียบกันไม่ได้แต่มันยังไม่ไม่เทียบไนทํานองว่ากูเนหนือคนอื่นนะประเภทกูใหญ่กูเก่งเนี่ยมันกิเลสชั้นหยาบเลยมันจะรู้สึกลึกๆ น, ะนะเมื่อไหร่เราจะดีเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบ้างเมื่อไหรเราจะได้อย่างครูบาอาจารย์บ้างทําไมเรายังมอมแมมไม่เหมือนท่านอยเทียบว่าเราอะแย่กว่านะอยากจะดี ฟังแล้วดูอ่อนน้อมทำตัวนะให้กิเลส ช, ชั่นละเอียดนะดูเหมือนกูสลอย่างยิ่งเลยดูยากมากพวกเรายังไม่เห็นึ็ไม่เป็นไรตอนนี้เอากิเลสหยาบก่อน้กิเลสที่ทำให้ผิดศีลคือกิเลสหยาบรู้จักโลภไหมรู้จักไหมเคยโลภไหมเคยโกรธไหมเคยฟุ้งซ่านไหมเออเนี่ยกิเลสพวกนี้ดูไม่ยากอะไรนะเคยลังเลสงสัยไหม ลังเลสงสัยไม่ใช่สงสัยเรื่องโลกโลกนะลังเลสงสัยเนี่ยจะสงสัยพระเจ้ามีจริงไหมธรรมะเนี่ยปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงไหมไม่แน่ใจเลยพระอนุญาสงสมีจริงหรือเปล่าเนี่ยจะลังเลสงสัยในพระราตนาไตรนะไม่ใช่สงสัยเรื่องโลกโลกไอตัวความวิจิกิจฉาที่มันเป็นกิเลสนะมันจะสงสัยพราราตนาไตรเป็น ควาลังเลสงสัยไม่แน่ใจกิเลสหยาบๆเพื่อเรารู้จักน เ, เนี่ยนี่โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยรู้จักหลงไม่หลงหลงแล้วลืมกายลืมใจเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับทุกคนมีร่างกายแต่ลืมร่างกายทั้งวันเลยทุกคนมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองสนใจอะไรสนใจในรูป สนใจในเสียงสนใจในกลิ่นสนใจในรสสนใจในสัมผัสสนใจในเรื่องราวที่ใจคิดก็สนใจออกนอกเรื่องหลงนี้เป็นธรรมชาติของพวกเราอาศัยหลงคือโมหานี่แหละเป็นต้นต่อให้เกิดโลภะโทสะขึ้นมาถ้าไม่หลงสัยอย่างเดียวนะราคาโทสะจะเกิดไม่ได้ราคาโทสะเป็นลูกเป็นลู ก, เ ป, ลกเป็นหลาน ของโมหะโมหะความหลงเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่กิเลสความหลงที่ละเอียดที่สุดนะชื่อว่าอาวิชชาละเอียดที่สุดเนความหลงชั้นละเอียดคือไม่รู้ความจริงหลงรๆมากเช่นความฟุ้งซ่านในพวกนี้นะใจลอยรู้จักไหมจักใจลอยไหมวันหนึ่งใจลอยเยอะไหมใจลอยคนทั่วทั่วไปใจลอยวันละครั้งไม่บ่อยหรอก แต่เวาลาครั้งเดียวนะตั้งแต่ตื่นจนหลับใจลอยทั้งวันเลยนักปฏิบัตินะยิ่งเก่งเนี่ยยิ่งใจลอยบ่อยไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึ ก, สกใจลอยไปคนโบราณเก่งมากเลยนะคนไทยโบราณที่เขาบัญญัติศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกนะึกคิดในใจเราเนี่ยละเอียดประณีตมากเลยเขาต้องเห็นสภาวะจริงๆนะเขาถึงบัญญัติศัพท์ออกมาได้ใจลอยนะี่มันลอยจริงๆนะมันลอยไป คือคำว่าฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งไปก่อนนะแล้วมันก็แผ่ซ่านออกไปนะซ่านไปทางตาหูจมกูกเล่นกายใจอะไรเงี้ยนะใจใจใจเหี่ยวแห้งนะเซงเหงาเห็นไมมัน ม, มีมีดีกรีมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอิจฉาพยาบาทโกรธเกลียดไมนะไม่เหมือนกันหรอกแค้นก็นะมนไม่เหมือนกันนะ มันมีดีกรีอันนี้ละเอียดมากเลยนะคนไทยโบราณเนะี่ยเก่งจริงบัญญัติสาปออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับใจนะี่บัญญัติได้ดีมากเลยตรงสภาวะมากเลยใจดำํดำดาจริงๆนะอมันมืดมันบอดมันมัวมืดตื้อๆเลยดําปีเลยนะใจดีใจร้ายเออมันดีได้แต่มันร้ายได้นะมีเยอะแยะเลย ใจเป็นกลางนะกลางจริงๆนะไม่ไปอดีตไม่แปอนาคตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะี่สภาวะทั้งหลายเนี่ยคนโบราณเขาแตกฉานมากนะสับแต่ละคำแต่ละคำที่เกี่ยวกับความรู้สึกหลวงพ่อเคยรวมได้สองร้อยกว่าคำนะนะนะมีโ ย, ยมยืมไปดูแล้วเอาไปเลยเลยขี้เกียจรวมอีกนะมื่อมีโยมคนหนึ่งเขารวมมาสามร้กว่าคำเขาบอก เป็นคำที่แสดงถึงความรู้สึกทางใจนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกิเลสเป็นครอบงำที่เป็นกุศลแล้วทำให้เกิดความรู้สึกก็มีนะนี่เราไม่ต้องไปเรียนเยอะแยะเลยนักหนาะเราคอยรู้ใจมันโลภเราเรียนตัวหลักๆใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงนะเอาสามตัวนี้ก่อนใจมันโลภมันอยากได้อยากได้อารมณ์เข้ามานะอยากดึงเข้ามา เวลามันโลภมันรักเนี่ยมันจะดึงอารมณ์เข้ามาหาตัวเองใชมันโกรธมันจะผลักอารมณ์ออกไปใจมันหลงมันจะลืมอารมณ์นะแลู้มันมีเรื่องแค่นี้เองง่ายๆถ้าจะดูถ้าเวลาหลงเนี่ยมันจะลืมสภาวะที่กําลังปรากฏลืมอารมณ์ที่กําลังไปรู้เข้าถ้ามันโลภนะมันจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวเองเราชอบคนไหนเราก็อยากให้เข้ามาอยู่ใกล้เราหรือเราอยากไปอยู่ใกล้เขาอยากเข้าไปใกล้ เราเกลียดคนไหนอยากผลักให้ออกห่างโทสะีะเป็นกิเลดที่ดัดออกโลภามันจะดึงเข้ามาโมหะเป็นสภาวะที่มันไม่จับสภาวะได้ไม่แม่นเราเรียนตัวหลักๆนะใจมันโกรธใจมันโลภหรือนะใจมันหลงแต่หลงดูยากนะเพราะหลงนี่ยเป็นธรรมชาติที่เราคุ้นเคยโลภกับโกรธนานๆมันโผล่ทนะีแต่คนไหนขี้โมโหมก็โมโ ห, มมโหมบ่อยหน่อยนะโมโหสักเรื่องนี้ก็เดี๋ยวหายก็ไปโมโหมเรื่องอื่นเลย เมืราค่อยเรียนเอากิเลสหลักๆนะตันไหนขี้โรคก็ค่อยรู้ทันวันไหนขี้โกรธก็คอยรู้ทั น, ท น, ถ, ทนถ้าเรารู้ทันความโลภความโกรธที่เข้ามาสู่ใจเราได้นะศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัโตโนมัติเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นเรารู้ทันนะความโกรธมันจะดับอัโตโนมัตินะไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองเมื่อไรที่เรารู้ทันคือเมื่อนั้นมีสติเมื่อไดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลส น, นี่เป็นกฎของธรรมะ เรื่เราไม่มีหน้าที่ต้องไปล่ากิเลสเลยเรื่องกิ๊กก๊อกมากเลยไม่จาเป็นต้องไปล่ามันแค่เรารู้มันนะมันจะดับโดยอัตโนมัติเพราะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสจะดับเมื่อ น, นั้นนี่เป็นกฎของธรรม ะ, ะนะถ้วเราคอยรู้ทันราคะคือความโลบเกิดขึ้นในใจรู้ทันความโกรธเกิดในใจรู้ทันนะถ้าดีกว่านั้นคือใจลอยไปแล้วก็รู้ทันด้วยนี่หลงไปถ้าเรารู้ทันกิเลสจะดับ ถ้ากิเลสดับควรจะทําผิดศีลไม่ได้เพราะคนทําผิดศีลนะ่ะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตมันบงการอย่างคนจะไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยทําร้ายเพราะเพราะโกรธเขาก็มีใช่ไหมทําร้ายเพราะรักมีไหมทําร้ายเพราะรักก็มีใช่ไหมคนนี้รักมากเลยนะเคยมีพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งนะมันไปเห็นใ้ปราสาททองในเรื่องอนะิคิวสังเป็นปราสาทไม้นะสวยมากเลยมันเผาเลยนะ รักมากเลยเผาทําลายเพราะว่าชื่นชมหวังว่ามันจะมาอยู่ในใจนิรันดร์เนี่งั้นเวลาราคาเกิดหรือโทรศัพท์เกิดนะอาจจะไปทําร้ายคนอื่นก็ได้ะทําร้ายสัตว์อื่นก็ได้เวลาราคาโทรศัพท์เกิดนะไปขโมยของเขาไปยักยอกของเขาก็ได้อยากได้ของเขาไปเอามาเกลียดเจ้าของไปทําลายทรัพย์สินเขาทําได้ มีราคามีโทสะนะก็ไปเป็นชู้กับเขาได้ผิดรูปผิดเมียเขาได้เป็นหลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปเขามีสามีแล้วก็ไม่สนใจในะจีบไม่สนใจใหมายถึงว่าไม่สนใจเรื่องมีสามีนะแตนะสนใจผู้หญิงคนเนี้ก็ไปจีบเ้าก็ได้นะหรือไปเกลียดเกลียดใจผู้หญิงคนเนี้ตอนแหลเลิกคนนะแกล้งจีบมันซะให้มันหลงรักเราแล้วจะหัก อ, อกมันเอออย่างเงี้ยทำผิดศีลผิดธรรมได้เหมือนกันใช่ไหม เวลามีราคามีโทรศัพท์นะก็พูดเท็จได้พูดสอดเสียดไดนะ้อย่างเราเกลียดคนสักคนหนึ่งเราก็ไปด่าเขานะหรือเราแกล้งชมเขาเลยก็ได้นะแกล้งชมให้เสียผู้เสียคนไปเลยนะย่อให้มากๆเดี๋ยวก็พังไปเองให้เหลิองหรือเราชอบเขาเราก็ไปหลอกเขาได้นะยิงน่งไอ้พวกหนุ่มๆ น, นะมันมาจีบสาวอ่ะสาวอย่าไปหลงนะไปหลงเชื่อ ชบาบบอกรักคุที่สุดในโลกรักเธอเท่าฟ้าโกหกทั้งนั้นอะสิ่งที่มันรักที่สุดในโลกคือตัวมันเองนะไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่าตัวเองหรอกเรียยมันมันโกหกก็ได้หรือโกหกว่ายังเป็นโสดอยู่นะยังเป็นโสดอยู่เนี่ยทำเพราะา้าก็ได้นะเนี่ยลาค้าโทสะเนี่ยทาให้เราผิดศีลได้หมดเลยกลุ้มใจเป็นโทสะนะก็ไปกินเหล้าได้นดีใจ สมหวังเฮาใจมีความสุขก็ไปกินเหล้าได้เนี่ยกิเลส น, นะมันทําให้ผิดศีลได้หมดเลยนะกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนะี่ยทั้งราคะทั้งโทสะอนะไรเนี่ยโมหนะนั้นไม่ต้องนับเลยเพราะว่าจะมีราคะมีโทสะได้ต้องมีโมหะประกอบให้เราคอยรู้ทันนะราคะเกิดขึ้นในใจใจมันลอบขึ้มารู้ทันใจมันโกรธขึ้มารู้ทันคอยรู้อยู่อย่างเนี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เรียกว่าหลงใจมันหลง ถ้ารู้ว่ามีราคารู้ว่ามีโทรศสนี้ใช้ได้เราจะเห็นในถ้าราคาเกิดราคาดับปับ๊บโทราสาทเกิดพอเรารู้ปับ๊บมันดับปั๊บเลยสีอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพื่อนการรักษาสีนที่ดีนะรักษาที่จิตมีสติเป็นผู้รักษาจิตเพราะหน้าที่ของสติคืออารักขาสติมีหน้าที่อารักขานะอารักขาคือคุ้มครองใจเรานะความชั่วใดๆมาเนี่ยถ้ามีสติรู้ทันมันดับหมดเลย รักษาคุณงามความดีไว้ด้วยถ้ามีสติบ่อยๆคุณงามความดีมันจะเจริญขึ้นงั้นเราคอยรู้เท่าทันนะอาศัยสติเราที่แหละคอยรู้เท่าทันบางคนงงอีกสติเป็นไงก็เนระียกว่าคอยรู้ทันใจตัวเองไปก็แล้ว ก, กันกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันะนะั่นแหละเนื่อว่ารู้ด้วยสตินะสติเป็นตัวรู้ทันนะไม่เหมือนปัญญานะปัญญาเป็นตัวเข้าใจรู้เหมือนกันนะ แต่รู้คนละระดับสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจแต่ปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเข้าใจว่าเออร่างกายนี้นะที่สติมามองเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่านี้เรียกว่ามีปัญญาหรือเห็นจิตใจสติไปเห็นความโกรธขึ้นมีปัญญาเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตหรอก ตัวเป็นสภาวธรรมที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่เรียกมีปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันคอยรู้ทันใจตัวเองรู้บ่อยๆตาค้าเกิดรู้ทันโทรศัพท์เกิดรู้ทันนะฝึกมากๆต่อไปใจลอยก็รู้ทันฝึกให้ใจลอยรู้ทันตรงใจลอยรู้ทันจะได้อะไรมาจะได้สมาธิมาใจมันฟุ้งไปไหลไปเรารู้ทันนะจะได้สมาธิใจมันจะไม่ไหลใจมันจะตั้งมั่น แนะม้เป็นเรื่องรู้ทันกิเลสนะถ้ามีราคามีโทสะเกิดขึ้นเรารู้ทันนะสีนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไปมีโมหะหลงไปไหลไปนะรู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิขึ้นมาล้วนะเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจรู้บ่อยๆนะพอทำไหวไหมสอนง่ายมากเลยนะวันนี้นานๆจะสอนง่ายทีหนึ่งนะปกติจะสอนยากกว่า น, นี้นะ คนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อรู้สึกยากเกินไปไหมใครที่ไม่เคยฟังที่เมื่อกี้ยกมือไว้หกเจ็ดคนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะความรู้ความเข้าใจมันจะชัดเจนขึ้นมางั้นเคยรู้ทันนะเคยรู้ทันราคาความโลภอะไรเกิดขึ้นในใจเครรู้ความโกรธเกิดในใจเคยรู้ไปฝึกตัวนี้ให้ได้ สีน่าตโนมัตจะเกิดนะแล้วถ้าคอยรู้ทันเวลาใจลอยใจมันไหลไปใจมันเคลื่อนไปคอยดูใจมันเคลื่อนไปฟังเสียงละครั้งใจมันจะเคลื่อนที่ได้นะมันจะส่งไปไหลไปเวลาตาเรามองเห็นนะใจเราก็ไหลไปดู เวลาหูเราได้ยินเสียงนะใจก็ไหลไปฟังเวลาความคิดเกิดนะใจก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาเราทําสมาธิเราปฏิบัติทําอะไรเนี่ยเดินจงกรมนะใจชอบไหลไปอยู่ที่ขาดูท้องพองยกเนะื้อใจไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่กับลมขยับมือทําจังหวะใจไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยใจจะไหลหอุตรุดเลยให้คอยรู้ทันมือนถ้าเรารู้ทันตรงที่ใจไหลใจจะตั้งมัน่น ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยคือใจที่มีความพร้อมที่จะเจริญตัญญานะยันเราค่อยๆรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรานี่แหละราคาโทาษาเกิดรู้ทันนะจะได้ศีลขึ้นมาถ้าโมหะความฟุ้งซ่านใจมันฟุ้งไปมันไหลไปนะจะไหลไปทางดีไหลไปทางชั่วนะรู้ทันมาให้หมดเลยไหลไปทางดีก็มนะีเช่นเราเห็นพระพุทธรูปแนละ้วเราปรับรื้มนะอมองไป เห็นแต่พระพุทธ ร, รูปลืมตัวเองเนใจมันไหลไปอยู่ที่พระเนี่ยตามองเห็นนะ้ใจก็ไหลไปนะตัวที่ใจเราไหลไปแล้วเรารู้ทันนะตัวเนี้ยสุดยอดเลยใจจะอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เนี่ยจิตที่พร้อมจะไปเจริญปัญญานะคือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับให้อยู่กับตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญานะแต่พร้อมที่จะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะ ทำอะไรก็เหมือนหุ่นยนต์ทื่อๆนะไม่ได้เรื่องแล้วย้แต่คอยรู้เท่าทันจิตนะถ้ารู้กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมารู้ราคาโทวสะนะจะได้ศีลรู้ใจที่ไหลไปจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมานะวันนี้เช้านี้เรียนได้สองอันเองนะเรื่องเรื่องศีลเนการปรับพื้นฐานของจิตใจถ้ามีศีลใจจะสงบใจจะสบายไม่ฟุ้งซ่าน เรื่องของการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะเดินตัญญาที่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บฎิบานก็อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเรื่องเจริญตัญญาที่เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันยังมีเวลาสองวันวันนี้ไปฝึกให้รู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจฝึกบ่อยๆทุกคนรู้จักกิเลสอยู่แล้ว กิเลสอะไรโผ ล, ล่ขึ้นมาก็รู้กิเลสอะไรโผ ล, ล่ขึ้นมาก็รู้อย่าไปดักจ้องไว้ก่อนถ้าเราไปจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดแล้วมันจะว่างๆจะไม่มีอะไรเกิดหรอกเพราะฉะั้นอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะเราให้ตาหูจะมูกลิ้นแกาใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเ น, นี่ยแหละแต่พอกระทบแล้วมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างเดี๋ยวไปกินข้าวเห็นกับข้าวแล้วอยากกินนะนี่โลภเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันมีของที่เราอยาก เราเข้าแถวอยู่คนอื่นมันตักไปก่อนนะโทรสารเราเกิดนะไม่พอใจไใ้คนนี้มันร้ายจริงนะโทรสารเกิดเนี่ยเรารู้ทันฝึก อ, อย่างนี้อยากไปเข้าห้องน้ํารู้ว่าอยากนะแต่เข้าห้องน้ําแม้แถวยาวยังเลยชักไม่สบายใจเนี่ยนี่โทรสารเกิดค่อยรู้นะถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ขอรัดคิวเพื่อนได้นะใครทนได้ก็ทนไปก่อนไม่ต้องหวนะัวร้ายอ้าไปกินข้าว